วันนี้มีอะไรอยากจะถามไหยไม่ค่ะอยากมากราบอาจารย์เป็นสิริมงคลแล้วถากลับแล้วค่ะกราบเฉยๆไม่เป็นสิริมงคลกราบอยู่ที่ไหนก็กราบได้เป็นมงคลแล้วตอนเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมได้สนทนาธรรมการเลยนะธรรมสาขัเฉาเอตัมมังกลลมุตตะมังการได้สนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยการได้ยินได้ฟังธรรม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 ชีวิตเราจึงมักจะเดินเข้าหาอันตรายโดยที่เราไม่ได้คาดฝันกันไม่มีใครอยากจะพบกับภัยแต่ทำไมเรามักจะไปเจอภัยต่างๆกัน <ğan. S 1> ก็เพราะเราไม่มีแสงสว่างมองทางเราเพียงแต่คิดว่าทางนี้ดีทางนี้ปลอดภัยแต่พอไปจริงๆเอามันไม่ดีอย่างที่เราคิด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 เราอาจจะคิดว่าถ้าเราดูแลรักษาร่างกายเราดีแล้วใจเราจะดีไปด้วยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้ร่างกายเราอยู่สุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอ็มน้ำสำราญแต่ทำไมใจเรายังวุ่นวายกันอยู่ใจเรายังไม่สบายเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราเหมือนกับวิธีรักษาร่างกาย mm hmm. เรารู้จักวิธี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 บางทีแล้วใจก็ไม่สบายกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้วิตกกับคนนั้นวิตกกับคนนี้มีปัญหากับสิ่งนั้นมีปัญหากับสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นปัญหาต่างๆที่ที่เกิดจางใจนีเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจให้อยู่ปกติสุขเหมือนกับน่่งกาย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 สังเกตไหเวลาเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เราคิดว่าพอเราได้แล้วเราจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวยวความสุขแบบเสพยาเสพติดเวลาอยากจะเสพยาก็รู้สึกทรมานใจพอได้เสพยาแล้วก็หายทรมานใจแต่หายเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะเสพขึ้นมาใหม่เวลาอยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เหมือนกัน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 ใ ห, ให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งให้ได้หลายแบบถ้าเราไม่มีเงินทองจะให้เราให้อย่างอื่นที่เรามีถ้าเรามีวิชาความรู้เราสามารถเอาไปเป็นวิทยาฐานได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้โดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นการให้เหมือนกัน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 จะไม่มีพระอานันตาสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเอามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอานันตาสาวกมาช่วยทํางานต่อถ้าเราส่งเสริมทําบุญกับพระอานันตาสาวกทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ส่งเสริมให้มีคนที่จะสามารถมาสั่งมาสอนมาบอกวิธี ของการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่นี่คือการช่วยเหลือการทำบุญแบบที่เลือกทำบุญนี่ทำได้สองแบบแบบไม่เลือกกับแบบเลือกคือถ้าเราต้องการประโยชน์จากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนที่เขาทำประโยชน์ได้มากถ้าเราไปทำบุญกับคนที่ไม่ทำประโยชน์แต่คนที่ทำโทษเราก็ไปส่งเสริมให้เขามาทาโทษแก่ผู้อื่น เช่นไปทําบุญกับพวกโจรผู้ร้ายไ ป, ไปสนับสนุนพวกโจรผู้ร้ายนะก็ทําให้เขามีความสามารถที่จะมาก่อกวนมาสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นนะเราจึงเลือกคนเวลาเราทําบุญใช่ไหมเลือกทำกับคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ แต่ถ้าทำแบบเพื่อให้เราสบายใจโดยที่เราไม่ได้ไปต้องการอะไรจากผู้รับเราทํากับไข่ก็ได้ทํากับสุนัข ก, ก็ได้ทํากับแมวทํากับปลากับนกก็ได้เวลาเราไปปล่อยนกปล่อยปลานี้เราก็เกิดความสุขใจเพราะเราได้ช่วยให้เขามีอิสระภาพเขาได้มีความสุขเห็นสุนัขจอนจัดมาเราก็ช่วยให้ ช่วยมันเลี้ยงมันหาอาหารให้มันกินแล้วมันก็อยู่สุขสบายแต่เขาทำประโยชน์ให้ได้ไม่มากเท่านั้นเองแต่บางทีเราก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่ได้เล็งอยู่ที่ประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าทุกชีวิตก็มีความปรารถนามีความต้องการที่จำเป็นคือต้องการปัจจัยสี่อย่างไม่ว่าใครก็ตามในเรื่องปัจจัยสี่ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ควรจะช่วยเหลือเา แม้แต่คนที่ติดคุกติดตารางเขาก็ยังต้องเลี้ยงดูตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายต่อสู้ถูกตำรวจยิงบาดเจ็บตำรวจก็ยังต้องเอาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะนี้มันเป็นการช่วยเหลือพื้นฐานของชีวิตคือปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องมีงั้นถ้าเราต้องการช่วยเหลือในกรณีเรื่องของปัจจัยสี่เราก็ไม่เลือกใคร เเวลาน้าท่วมไฟไหม้เราก็ร่วมกันบริจาคข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่เขาประสบภัยเพราะเขาขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ก็ต้งนี้ถ้าช่วยแบบนี้เราก็ไม่เลือกคนแต่ถ้าช่วยแบบที่เขาสบายแล้วทุกคนนี่เราก็เลือกช่วยได้จะช่วยคนไหนดี ทุกคนก็มีปัจจัยสีแ่แล้วเราก็ต้องเลือกช่วยคนที่เขาทําประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทําให้กับสังคมนี้ไม่มีใครสามารถทําได้คนทางโลกนี้ทําประโยชน์ทางให้สังคมได้เพียงแต่ทางร่างกายเช่นทําให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ได้นานหรือทําให้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเราสนับสนุนนักการเมืองที่ดีผู้นำที่ดีเขาก็เอาเงินภาษีนี่มาช่วยพัฒนาประเทศทำให้บ้านเมืองเราจเจริญทางด้านวัตถุ ก, กันอยู่กินอย่างสบายไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายแต่ถ้าเราสนับสนุนนักการเมืองที่ช่อกงเนี่ยเขาก็ไม่เอาเงินภาษีมาพัฒนาประเทศ เขาก็เอาเงินภาษีไปใช้ส่วนตัวกันประเทศก็จะอดอยากขาดแคลนอันนี้เราก็ต้องเลือกเราต้องการที่จะให้คนมาทำประโยชน์เราก็ต้องเลือกคนถ้าทางโลกกันเนี่ยก็นักการเมืองผู้นำต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญต่อการดูแลรักษาบ้านเมืองให้อยู่อย่างสงบน่มเย็นเป็นสุข ถ้าเราต้องการพัฒนาทางด้านจิตใจเราก็ต้องเลือกผู้นําทางด้านจิตใจผู้ที่มีความรู้ความฉลาดทางด้านจิตใจซึ่งไม่มีใครจะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจึงเลือกทําบุญกับวัดเพราะว่า น, นี้เป็นที่เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ให้ให้รู้เพื่อเราจะได้เอาความรู้นี้ไปพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีมากขึ้น จ short, right? so faithful, short, ิตใจของเรานี้มีดีมีชั่วใช่มเราที่เราเรียกว่าดีชั่วคนดีคนชั่วมันมันดีชั่วที่จิตใจนะมันไม่ใช่ดีชั่วที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากจิตใจอีกทีหนึ่งถ้าจิตใจดีร่างกายก็จะทำความดีตามคำสั่งของจิตใจถ้าจิตใจชั่วร่างกายก็จะทำความชั่วตามคำสั่งของของของจิตใจ นัร่างกายเองไม่ได้เป็นตัวดีตัวชั่วแต่ตัวดีตัวชั่วนี้คือจิตใจจิตใจจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ว่างโง่หรือฉลาดถ้าฉลาดก็จะทำความดีเพราะอะไรเพราะทำความดีแล้วเกิดประโยชน์เกิดสุขกับตนเองและเกิดประโยชน์สุขกับผู้อื่นนั่นเองแต่คนที่โง่ก็จะคิดว่าการทำความชั่วแล้วจะทำให้ตนเองเกิดประโยชน์เกิดความสุขแต่มันเป็นความสุข ที่เป็นความสุขปลอมประโยชน์ปรลอมแต่ความจริงที่ได้รับคือจิตใจกับได้รับความทุกข์ความวุ่นวายมากกว่าเวลาทําบาปเนี่ยคนที่ทําบาปก็คิดว่าทําแล้วเขาได้อยากได้เงินเขาก็ไปขโมยเงินมาแล้วจะได้เอาเงินไปใช้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อยาเสพติดต่างๆเขาก็คิดว่าการทําบาปนี้เป็นการกระทาที่ดีสาหรับเขา เขาไม่สนใจว่าคนที่เราไปขโมยนั้นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างไร <Yeah. S 1> เพราะโง่ไม่ได้คิดคิดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าผลเสียหายก็กลับมาเกิดที่ใจของตนเองด้วยพอไปทํำบาปแล้วใจก็ต้องก็ต้องเดือดร้อนนะ่ะใจต้องหวาดกลัววิตกกังวลนะต้องคอยหลบหนีหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจกลัวจะถูกจะจับไปลงโทษไม่เห็นโทษที่เกิดขึ้นจากการทํา บาปทำความชั่วเห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับเล็กๆน้อยๆจากการทําความชั่วนั้นคือได้เงินได้ทองได้สิ่งที่อยากได้แต่ไม่เห็นโทษที่จะตามมาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นแล้วก็ทําให้จิตใจนี้เป็นคนที่ต่ํำซามลงไปดีชั่วอยู่ที่การกระทำํำการกระทําดีชั่วก็อยู่ที่ความรู้หรือความความโง่ถ้าฉลาดก็จะรู้ว่า การทำความดีเท่านั้นที่จะทำให้ให้ดีให้สุขให้เจริญทางด้านจิตใจนี่เราไม่ได้พูดถึงความสุขความเจริญทางด้านร่างกายทางด้านวัตถุข้าวของเงินทองแต่คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นจะเห็นแต่ประโยชน์ทางวัตถุทางด้านข้าวของเงินทองเวลาเขาอยากได้ข้าวของเงินทองได้เงินได้ทองนี้ถ้าเขา ต้องทำบาปเขาก็ยินดีทำบาปเพราะเขาไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเขาคือใจของเขาว่าใจของเขานี้จะต่ำซ้มลงไปแล้วก็จะทุกข์มากขึ้นไปมีเงินทองมากแต่ใจกลับไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับในทางตรงกันข้ามถ้าทำความดีทำประโยชน์ เสียสละยอมเสียสละข้าวของเงินทองแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนจิตใจเราสูงขึ้นจิตเราเป็นคนดีไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นเป็นคุณเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็รักชอบเราเคารพเรานับถือเราแล้วใจเราก็มีความอิ่มมีความสุขสบายใจนี่แหละคือใจของเราที่เราสามารถที่จะพัฒนา ให้สูงขึ้นไปให้มีความสุขมากขึ้นไปได้ตามลำดับหรือจะดึงให้ใจลงต่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานี่เองและการกระทำของเรานี้ก็ต้องอาศัยคนที่รู้ว่าการกระทำอย่างไหนเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าไม่รู้เรามักจะหลงผิดกันเพราะเราจะไปมองผลประโยชน์ที่เป็นผลประโยชน์ปลอมคืลราบยศสรรเสริญที่เราจะได้รับกัน คนนสมัยนี้บางทีเขาหาลาบยศสรรเสริญด้วยวิธีช่อโกงวิธีที่ไม่ถูกต้องเขาได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศมาแต่ใจเขาเสื่อมต่าลงไปใจเขานีมีหลายระดับความต่ำต่ำจากมนุษย์ก็คือเดรัจฉานจากเดรัจฉานก็มีเปรตมีรัศรกายและนรกที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะพวกนี้เป็นพวกกายทิพย์ใจที่ไม่มีร่างกายนี้เวลาเวลาทำบาปเนี่ยใจจะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกแล้วเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นขณะที่ใจร่างกายมีชีวิตอยู่นี่แตก่การกระทำนี้จะแปลงจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้เสื่อมไปตามบาปกังที่ตนเองทาไว ท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าผิดนี้ก็ไปเป็นเดลรรชานพวกเดลชานนี้เขาทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวเขาต้องอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอด <imp. S 1> เขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา <ación. S 1> ถ้าใครทามาหากินด้วยการฆ่าผู้อื่นก็เป็นเหมือนเดลรรชาญอันนี้ทำพ่อไม่รู้พวกที่มีอาชีพฆ่าสัตว์หา ทำอาทีพฆ่าสัตว์เพื่อจะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเดรัจฉานร่างกายนี้เป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ได้แปลงไปเป็นเดรัจฉานแล้วถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ไม่เป็นเดรัจฉานก็ต้องไม่ทําบาปในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำอาทีพที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นแล้วก็จะมีต่ํากว่านั้นนี่จากเดรัจฉานก็ไปเป็นเปรต เน้ท่านว่าเป็นเพราะว่าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็เลยต้องหามาด้วยวิธีทำบาปเพราะถ้าทาถ้าหาด้วยวิธีไม่ทำบาปมันหายากกว่าเพราะการแม่ค้านี้ก็ามาบ่นอยู่เลยว่าขายของลำบากรักษาสินห้านี้รักษาลาบากท ำ, าทำมาหากินลำบากถ้าต้องรักษาสีลห้าเพราะมันต้องโกหกเขบอกเนี้ย ของของราคาเท่านี้ก็ต้องบอกท่านนู้นอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่บอกว่ามันมันมันถ้าไม่โกหกแล้วมันกลัวขายไม่ได้แต่ถ้าคนที่รู้ว่าการได้เงินมาเพื่อที่ด้วยการทํำบาปนี้มันมีโทษตามมามากกว่าเขาก็ไม่ทําก็พูดตามความจริงไปขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ไม่เป็นโทษกับจิตใจเขาจิตใจเขาก็ไม่ต่ํำสามลงไปเปดนี้ถ้าว่าเป็นพวกจิตใจที่ทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆแล้วพวกที่สามพวกอสูรกายนี้เป็นพวกที่ทําบาปด้วยความกลั ว, ก ล, วกลัวนู่นกลัวนี่ก็เลยกําจัดสิ่งที่เรากลัว กลัวมดก็ฆ่ามดกลัวมแมลงก็ฆ่ามแมลงกลัวยุงก็ฆ่ายุงกลัวงูจะงูก็ฆ่านี่ฆ่าด้วยความกลัวทั้งๆที่เราไม่มีความจำเป็นจะต้องฆ่าเขาถ้าเราหาวิธีป้องกันรู้จักวิธีป้องกันตัวเราเราไม่เราไม่ต้องฆ่าสัสตว์ต่างๆหรอกแต่ว่าความกลัวอยากจะกาจัดแบบง่ายๆก็เลยทำบาปเสียอันนี้การเรียกว่าพวกกระสุนลกาย yes. อีกพวกสุดท้ายนี้พวกนรกนี้คือพวกที่ทํำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท <c oughs> ถ้าทําเวลาโกรธใครเกลียดใครนี้ต้องร่างแค้นต้องทําร้ายเขาพว <c oughs> กนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพวกนรกใจถึงแม่ร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ก็เป็นเป็นนรกไปทันทีสังเกตดูวเวลาเราโกรธเรากรเรากลียดใครนี้ใจเราล้น เวลาเราไม่โกรธไม่เกลียดนี่ใจเราเย็น น, ะนั่นแหละคือความแตกต่างตอนนี้เราใจเย็นเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยใจเราอยู่ในระดับมนุษย์ลนะ่ะไม่มีความรุ่มร้อนเกิดไม่มีความอยากที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทําร้ายผู้อื่นแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในี้ใจเราจะพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการกระทําของเราวันนี้ทําบุญก็เป็นเทวดาขึ้นมา พรุงนี้ทำบาปก็กลายเป็นเดระชานขึ้นมาได้แล้วการทำบุญทำบาปนี้มันจะสะสมเก็บไว้ในใจของเรามันมีบัญชีอยู่สองบัญชีบัญชีบุญกับบัญชีบาปทำบุญวันนี้มันก็เข้าบัญชีบุญพรุ่งนี้ทำบาปก็เข้าบัญชีบาปแล้วเวลาที่เราตายไปนี่ยมันจะมาคิดบัญชีกันระหว่างบุญกับบาปนี่อันไหนมีกาลังมากกว่ากันถ้าบาสมีกาลังมากกว่า ก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปไปนรกถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทพ เ, เป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าระหว่างที่รอการมามีร่างกายอันใหม่ช่วงเวลาที่เรารอนี่เวลาที่ร่างกายเก่าเราตายไปแล้วเรารอรับร่างกายอันใหม่เนี่ยมันเหมือนกับช่วงที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี่เรามักจะฝันกันใช่ไหม ฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างท่านบอกว่าฝันดีก็เป็นเพราะว่าบัญชีบุญมีน้ำหนักมากกว่าถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าบัญชีบาปมีน้ำหนักมากกว่าถึงฝันร้ายแต่เพียงแต่ว่าเราฝันชั่วขาวเพราะร่างกายพักอยู่ห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะตื่นพอตื่นจิตเราก็ต้องกลับมาเข้ามาร่างกายแต่เวลาที่เราตายไปนี้ มันจะไม่กลับมาทันทีเพราะว่ามันไม่มีร่างกายจะกลับช่วงที่เรามีร่างกายใหม่นี้เป็นช่วงที่เราจะนอนหลับแล้วฝันยาวเลยฝันเป็นเป็นสิบสิบปีเป็นร้อย ป, ป, ปีก็ได้จนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่ออกคลอดออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ตื่นขึ้นมาเลยดั <Yeah. S 1> ยงนั้นการตายก็เป็นเหมือนกับเป็นการไป <Yeah. S 1> ไปไ ป, ไปถ่ายไปเปลี่ยนอวัยวะไปเปลี่ยนร่างกาย ไม่น่ไม่น่าหวาดกลัวคนเวลาที่เขาจะไปเปลี่ยนปอดเปลี่ยนหัวใจเขาก็ต้องให้หมอดมยาสลบก่อนใช่หให้เขาหลับไปก่อนแล้วหมอก็จะได้ผ่าแล้วก็จะได้เอาหัวใจเอาปอดนันใหม่ใส่เขาไปพอถ่ายเสร็จหมอก็ปลุกขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายก็เหมือนเราไปถ่ายอาการวัยวะ32อาการเลยถ่ายทั้งร่างกายเลยเปลี่ยนทั้งร่างกายได้ร่างกายอันใหม่ เนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่รอบแล้วพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เรารอรอรับร่างกายใหม่ก็เป็นเวลาที่เราฝันกันฝันดีฝันร้ายฝันดีก็เป็นเทพเป็นพมเป็นอะไรไปฝันร้ายก็ไปเป็นเต๋เป็นนรกไปไปเป็นอสุรกกายหรือไม่เช่นนั้นก็ไปไดร้ร่างกายของเดรัจฉานก่อนถ้ายังไม่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก่อน นี่ะเรียกว่านี่หละคือคือเรื่องของจิตใจของเราที่จะดีหรือจะชั่วเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำดีนี่คือไม่ทำบาปนี่ใจเราก็จะสวยงามจะเป็นใจที่ดีมีคนรักเคารพนับถืออยากจะใกล้ชิดรู้จักมากคุ้นด้วย แต่คนที่ทำบาปนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะเข้าหาไม่อยากจะใกล้ชิดเพราะกลัวจะกลัวจะถูกเขากระทำร้ายนั่นเองเนท่านทั้งเปรียบเทียบ ว, ว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรของใจเครื่องนุ่งห่มของใจถ้าใจมีศีลแล้วใจจะมีเสื้อผ้าสวยงามไม่สวมใส่เวลาเร า, เรามีเสื้อผ้าเราก็อยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไมใ่ใส่ใช่ห เราไปไหนคนก็มองแล้วเขาก็ติดอกติดใจติดตาอยากจะเข้าหาถ้าเราแต่งกายแบบไม่ไม่สวยงามก็ไม่มีใครอยากจะเข้าหาถ้าเราอยากจะมีเสื้อผ้าพรอยากจะให้ตัวเราสวยงามน่ารักเนี่ยท่านบอกว่าให้เสริมความงามด้วยศีลรักษาศีลห้าให้ได้คนที่มีศีลห้ากับคนที่ไม่มีศีลห้านี่มีความแตกต่างกันครับ คนที่ไม่มีศีหน้า น, นี้มักจะถูกแยกออกไปอยู่ในคุกในตารางเพราะถ้าปล่อยให้ออกมาอยู่นอกคุกนอกตารางก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองคนที่มีศีหน้าก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างสบายไม่มีใครรังเกียจนี่คือสิ่งเปรียบเทียบว่าปัจจัยชิ้นที่สองของใจคือเครื่องนุ่งหง่ม ความสวยงามของใจนี้อยู่ที่เสือ้ออยู่ที่ศีลธรรมนั mm ้น hmm. ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีคนน่ารัก mm hmm. แล้วมีความสุข mm hmm. ขอให้เรารักษาศีลเถิดลักษาศีลแล้วใจเราจะสบาย mm hmm. ไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวลกับการกระทาบาปต่างๆ mm hmm. ความหวาดกลัวความวิตกกังวลนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทาบาปนี่เองพอเราไปขโมยเงินใครแล้วเราจะไม่สบายใจ เวลาเราไปโกหกหลอกลวงใครแล้วเราจะไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าเขาจะรู้กลัวจะถูกจับได้แต่ถ้าเราไม่ทํำบาปแล้วความกังวลใจก็จะไม่มีความกลัวที่จะต้องไปถูกลงโทษก็ไม่มีนี่เกิสิ่งที่เราต้องมีให้กับจิตใจถ้าเราต้องการให้จิตใจเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกาย ร่างกายมีเสื้อผ้าพอไม่สวมใส่ก็สบายใช่ไหมอากาศหนาวนี่เราก็มีเสื้อหนาวใส่ร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจเราถ้ามีศีลห้าไว้คุ้มครองใจเราก็ปลอดภัยใจเราไม่ต้องไปไปเกิดในอบายมไม่ต้องนอนหลับฝันร้ายตอนคืนนอนหลับจะฝันดีส่วนที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือความสงบ การนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนี่แหละเป็นการสร้างบ้านให้กับใจเวลาเราไปพบกับปัญหาพบกับเรื่องวุ่นวายใจต่างๆไม่รู้จะแก้อย่างไรเราก็ไปนั่งสมาธิเสียนั่งสมาธิหลับตาทำใจให้สงบแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายออกหายไปเพราะเราหลบเข้าไปข้างในบ้านเหมือนกับเวลาที่มีภายนอกบ้าน เป็นมีพายุมีฝนมีความร้อนเราก็หลบเข้าไปในบ้านถ้าร้อนเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ในบ้านก็เย็นสบายถ้าเรามีบ้านหลบแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีบ้านก็จะลาบากเห็นไหมคนที่ต้องหลบอยู่ตามข้างถนนนอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่ใต้สะพานนี้พวกนี้เขาไม่มีบ้านเขาถึงทุกคยากลาบากกต่รเราเรามีบ้าน ใจของเราก็มีบ้านให้อยู่เหมือนกันแต่เราไม่สร้างกันเองเราไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบพอมีเรื่องราววุ่นวายเรื่องราวเครียดก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายไปทั้งวันทั้งคืนสแสดงว่าไม่มีที่หลบไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเรารู้จักวิธีนั่งสมาธิพอใจเราวุ่นวายเครียดเราก็ไปนั่งสมาธิเสีย เดี๋ยวพอใจสงบแล้วความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปหมดนี่เกิดบ้านของเราที่เราควรจะสร้างเป็นปัจจัยที่สามตอนนี้เราไม่มีบ้าน <c oughs> ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเสื้อผ้าอภรรต์ถ้าไม่มีศีลก็คงจะไม่ได้มาที่นี่คงจะไปอยู่ในคุกในตารางแล้ว <c oughs> ก็ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานก็จะหิวอยู่เรื่อยๆ <c oughs> มีมากมีน้อยก็ไม่อิ่มไม่พอ ต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอถ้าไม่ทําบุญนมันจะอยากได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าทําบุญแล้วจะไม่อยากมีมากมีพออยู่พอกินก็พออย่างในหลวงที่ท่านสอนอยู่เรื่อยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าใจเรามีบุญแล้วใจเราจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ความหิวที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยไม่มีความหิวที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะการได้ทําบุญนี้ทําให้จิตใจเราอิ่มมีความสุข ไม่หิวกับอะไรแลย้ยารักษาโรคของใจคืออะไรก็คือธรรมโอสถหรือปัญญาเวลาที่เรามีความเครียดแล้วเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสมาธิได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถระ ง, งับความเครียดได้เพราะความเครียดนี้มีสาเหตุที่ทําให้เราเครียดที่เราไม่รู้กันต้องไปหาหมอหมอถึงจะรู้ เวลาเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่รู้วิธีรักษาเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรพอเราไปหาหมอหมอบอกอ๋อเกิดจากเชื้อไวรัสหลงตับนี้เกิดจากเชื้อโรคชนิดนั้นชนิดนี้เอายาชนิดนี้ชนิดนั้นไปกินเสียกินแล้วเดี๋ยวพอฆ่าเชื้อโรคได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปความเครียดความวุ่นวายใจของพวกเราก็เป็นโรคชนิดหนึ่งโรคทางใจและตัวที่ทาให้เกิด เหตุที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บนี้ขึ้นมาก็คือความอยากกิเลสตัณหาของเรานี้เองความโลภความอยากต่างๆนี่แหละที่ทำให้เราใจเราเครียดพออยากได้แล้วใจเราจะไม่สงบแล้วใจเราจะ เ, าเขาเรียกอะไรกระสับกระสายหรือโงดจิตลำคาญใจขึ้นมาอยากจะสูบบุหรีน่นี่ไม่ได้สูบนี่จะรู้สึกงดหิดขึ้นมา อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็หงดดอยากจะไปช้อปปิ้งไม่ได้ไปก็หงดดหงิดนี่คือความอยากที่ทำให้ใจเราไม่เป็นปกติทำให้ใจเราไม่สบายถ้าเราอยากจะรักษาโลกเหล่านี้ให้ใจเราอยู่เป็นปกติไม่ไม่หงุดหีิดไม่ไม่ทุกไม่เดือดร้อนเราก็ต้องกำจัดกำจัดความอยากต่างๆ ด้วยปัญญาปัญญาจะสอนว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้ทําให้ใจเราสบายแต่จะทําให้ใจเราวุ่นวายเพราะอยากแล้วมันจะเพราะสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่เราได้มานี่มันจะทําให้เราทุกข์้วทุกข์เพราะอะไรเพราะเราได้อะไรมาเราจะหวงไหมเราจะหวงไหมแล้วเวล า, เามันจากเราไปเราจะเสียใจไหมของทุกอย่างที่เราได้มาพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ได้เป็นของเราอย่างอย่างถาวรนอย่างแท้จริงจะต้องมีวันที่จะต้องมีการจากกัน เ, เวลาจากกันนี้ความสุขที่เราได้จากของที่เราได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นม า, านี่คือปัญญาสอนให้ใจรู้ว่าถ้าอยากจะระงับความอยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่ได้เป็นสุขหรกมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ แต่มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเวลาได้แฟนมาดีใจไหมแต่งงานแต่งงานกันแล้วพอถึงเวลาจากกันนี้เป็นไงร้องห่มร้องไห้กันหรือเปล่าเราไม่เห็ น, เ ร, เ, หนเราไม่เห็นตอนจบเราเห็นตอนต้นเวลาอยากได้เราเราจะเห็นตอนต้นเหมือนเหมือนเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยราไม่เห็นตะขอเบ็ดใช่ไหม จะเห็นจะเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นก็ฮุบเขฮุบเหยื่อเลยพอฮุบเข้าไปแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากขึ้นมาอันนี้ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์เพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะหมดไปมันจะจากเราไปเราไม่เห็นตรงนี้เราเลยอยากได้กันอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอพอได้มาแล้วเดี๋ยวพอเขาไม่ไม่อยู่กับเราเขาจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาที่จะสามารถสอนให้เราเลิกความอยากต่างๆได้ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นแทนที่จะเป็นสุขมันจะเป็นทุกข์ในที่สุดทุกตั้งแต่มันยังไม่จากเรา พอเราได้อะไรมาเราก็ต้องทุก์กับการดูแลรักษาละกังวลละห่วงใ ย, ยห่วงละห่วงนะ<ม>แล้วก็เสียใจเวลาที่เขาจากไปหรือเวลาเขาเปลี่ยนไป<ม>เพราะของทุกอย่างที่เราได้มานี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการสิ้นสุดลง<ม>จะต้องมีการพัดพรากจากกัน<ม>ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากได้อะไรใจที่วุ่นวายเครียดก็จะหายไป อยู่เฉยๆได้สบายปล่อยวางทุกอย่างได้เพราะทุกอย่างนี้ไม่ไม่เที่ยงใช้ร่างกายของเราเนี้ยตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเรายังอยากให้ร่างกายดีอยู่อยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันเป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้ต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเรายอมรับความแก่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์กับความแกะนะ่แล้ะ ตอนนี้ไม่ต้องย้อมผมแลนะียปล่อยให้มันขาวไปบากที่ยังต้องย้อมอยู่นี้แสดงว่ายังไม่ยอมรับความแก่ก็ยังต้องทุกกับการย้อมผมไปเรื่อยๆย้อมไปไม่กี่วันก็ต้องย้อมใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วกระทั่งต่อไปก็ไม่ไหวแล้วทุกข์ทุกข์ ก, กับการย้อมผมเริ่ย้อมมันดีกว่าปล่อยมันขาวไปขาวก็ขา ว, ขาวนะแก่ก็แก่ทําไงได้ห้ามมันไม่ได้เวลาเจ็บก็เหมือนกันเวลาเจ็บจะไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้จะให้มันหายก็ไม่ได้ ถ้าอยากให้มันหายก็ทุกข์อีกก็ต้องอยู่เฉยๆปล่อยมันเจ็บไปหัดทําใจให้เฉยเข้าสมาธิไปทําใจให้นิ่งไปอยู่ที่ปลอดภัยคือทําใจให้สงบอย่าไปอยากให้มันหายตามเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะไม่มาทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทุกข์เพราะเราระงับความอยากให้มันหายได้ความตายก็แบบเดียวกันแต่เวลาร่างกายตายก็อยากไปอยากไม่ตายเพราะอยากแล้วมันจะเครียดมันจะทุกข์มาก แต่ถ้าเรายอมรับว่าร่างกายมันกม็มันก็ต้องตายตห้ามมันไม่ได้อย่าไปอยากปล่อยมันไปมันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์เยพราะเรามียารักษาโรคใจคือปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยาอยากอยากอยากเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ นี่คือปัจจัยสี่ที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่สุขสบายเหมือนกับร่างกายของเราตอนนี้เราสุขสบายเพียงครึ่งเดียวคือทางร่างกายร่างกายเราสุขสบายเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจเรานี่ไม่สบายทุกวันเลยใช่มมีวันไหนบ้างที่ไม่ที่มีความสบายใจไปทั้งวันนี้มีนะเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องนั้นมาให้ไม่สบายใจต้องมีเรื่องนี้มาให้ไม่สบายใจก็เพราะเราขาดปัดจจัยสี่ ไม่เหมือนกับที่เรามีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายร่างกายเราตั้งแต่ตื่นมาจนหลับนี่สบายไปทั้งวันเลยไม่มีเรื่องเลยอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ก็มีปัจจัยสี่คอยดูแลหิวก็มีอาหารให้กินหนาวก็มีเครื่องนุ่งห่มให้ห่มฝนตกแดดออกมีภัยภายนอกก็หลบเข้าไปในบ้านได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มียากินร่างกายเราอยู่เป็นปกติสุขตลอดเวลา แต่ใจเรานี่จะหาความปกติสุขนี้ถ้าไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวก็วุ่นวายกับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็วุ่นวายกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่พออยากขึ้นมาแล้วใจก็หงุดหงิดลำคาล่ะหรือไม่งั้นก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาว่าเหวอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปต้องอยู่บ้านคนเดียวเหงาขึ้นมาล่ะอยากจะมีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวก็เหงาว่าเหวขึ้นมา เพราะเราไม่มีปัจจัยสี่ให้กับใจฉะนั้นขอให้เรามาหาปัจจัยสี่ให้กับใจเหมือนกับเราหาปัจจัยสีให้กับร่างกายเถอดด้วยการทําบุญทําทานนะเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดก็ไปซื้ออาหารให้กับใจคือทําบุญดีกว่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยนะกระเป๋ารองเท้ามีอยู่ชุดหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องไปซื้อให้มันมีตั้งสี่ห้าชุดสิบชุดหรอกมันก็เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะ ของที่เราจําเป็นต้องใช้พอมีพอเพียงแล้วก็พอเอาเงินที่เราอยากจะใช้นี่ไปทําบุญไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าเราจะทําให้ใจเราอิ่มใจเราสุขเราจะทําให้เราไม่มีความอยากจะใช้เงินไปตามความอยากต่อไปอยู่เฉยๆก็จะสบายรักษาศีลได้เราก็จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนดีมีเพื่อนเยอะไม่มีใครรังเกียจมีที่อยู่อาศัยนั่งสมาธิได้ เวลาใจวุ่นวายก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้ามีปัญญาก็กินยาธรรมโอสดเลยก็ได้ถ้ามียาก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรากำลังอยากกับเรื่องอะไรความวุ่นวายใจของเราความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใจอยากก็วุ่นวายใจขึ้นมา ถ้าเราดูแลก็พิจารณาว่าแล้วเราไปบังคับให้เขาเป็นตามที่เราต้องการได้หรือเปล่า <S <S <S 2> <S 2> เขาเป็นกล้วยเราอยากให้เขาไปเป็นสับปะรดได้หรอเปล่าก็เป็นไม่ได้เขาอยากจะดื่มทวราแล้วไปอยางให้เขาไม่ดื่มทวราได้เปล่าม่ไม่ได้หรอกก็ต้องปล่อยเขาดื่มไปอย่าไปอยางให้เขาไม่ดื่มพอเราปล่อยเขาปล่อยให้เขาดื่มไปเราก็ไม่ทุกข์กับเขาเราก็จะสบายอันนี้คือการใช้ปัญญา ที่จะระ ง, งับความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นแทบทั้งแทบทุกวันเกืบบางทีกับบางคนแทบทั้งวันเลยวุ่นกับคนนั้นวุ่นกับคนนี้ยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับสิ่งนี้เพราะความอยากทั้งนั้นพอไม่อยากแล้วปล่อยให้เขาเป็นไปตามสภาพของเขาแล้วเราจะไม่วุ่นวายเราจะสบายนี่เกิปัจจัยสี่ที่เราขาดกัน เราต้องมาหาพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีหาปัจจัยสีให้กับเราผู้รู้จักวิธีรักษาใจของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายของเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องราวของของจิตใจของเราไม่รู้วิธีรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าพ่อท่านเป็นเหมือนผู้มีแสงสวา่างนาทางนาพาชีวิต คือจิตใจของเราให้ไปสู่ที่สงบที่สุขที่เจริญ <Yeah. S 1> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขออนุโมทนาให้พร mm hmm. ยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจจังวุทาปจายโน จตารโหธัมมวทาติอายุวโนสุขังภาลังมีใครอยากจะถามอะไรไหอขอถามเลยครับคือแม่ผมอายุแปดสิบป่าแล้วเราจะทำยังไงให้ท่านเจ้พอหนาให้ได้เงี้ยเราพ่อหนาให้ได้ก่อนเถอะตัวเราเองยังยังทำไม่ได้เลยแล้วเบมม ก็คื อ, อยากให้ท่านเน่ยนั่นแหะมันมันไม่ง่ายหรอกเพื่อเพลงแต่แนะนําได้ท่านมีหนังสือซีดีอะไรก็ไปให้ท่านฟังท่านต้องเกิดความยินดีทําเองถ้าไม่ยินดีก็มันก็ทําไม่ได้หรอกตอนต้องต้องโน้มนาวจิตใจก่อนให้เขาเห็นคุณค่าของการทําก่อนว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้าเขาไม่รู้เขไม่เห็นประโยชน์เขาก็จะทําในสิ่งที่เขาเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเขานะ ก็อย่าไปกังวลเลยมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันที่บังคับกันไม่ได้ก็ทําหน้าที่ของเราไปมีอะไรก็มีหนังสือมีซีก็ไปวางไว้ที่บ้านเอาท่านอยากจะอ่านอยากจะฟังก็อ่านให้ท่านฟังก็ได้เปิดให้ท่านฟังก็ได้หรือท่านถามว่าออนั่งสมาธินั่งยังไงก็บอกนั่งแล้วดียังไงก็ออบอกได้แต่ถ้าก็ไม่สนใจมันไม่รู้จะจะจ ะ, จะไปบอกอยังไงนะ เอเพราะร่างกายอาจจะอายุแปดสิบกว่าแต่ใจอาจจะเป็นเด็กอนุบาลก็ได้เด็กไม่รู้ถ้า่คนนี่ไม่รู้เรื่องธรรมะนี่เป็นเหมือนเด็กอนุบาลเป็นเด็กเอาเรื่องของผู้ใหญ่ไปพูดให้เด็กฟังเด็กก็ฟังไม่รู้เรื่องเราต้องทําใจก็ให้ทําในสิ่งที่ทําได้ส่วนมนได้ค่ายแม่สวดมนต์ไป ทำบุญได้ก็ให้แม่อบริจาคเงินมาแล้วเราไปทําบุญให้กับท่านก็ได้ <Okay. S 1> แต่ต้องเป็นเงินของท่านและต้องเป็นความคิดของท่าน uh huh. ถ้าเป็นความคิดของเราเป็นเงินของเรานี่ท่านไม่ได้บุญหรอกนะบอกแม่เดี๋ยวแม่ก็ตายแล้วเนี่ยเงินเท่านี่แม่อยู่นี่เอาไปทําบุญเถออ uh huh. ตายไปเอาไปไม่ได้แต่บุญเอาไปได้ uh huh. บุญนี่เป็นเหมือนบัตรเครดิตเวลาเราไปต่างประเทศนี่เอาเงินไทยไปไม่ได้ใช่ไหม แต่เอาบัตรเครดิตไปได้เอาบัตรเครดิตไปแล้วไปใช้ที่ไหนก็ใช้ได้หมดบุญนี่ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตเวลาเราตายไปเราไปอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยเอาเงินทองไปไม่ได้แต่เอาบุญไปแทนได้บุญนี่แหละที่เราจะไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในโลกทิพย์ไปจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าอะไรต่างๆใช้บุญเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเงินตราจ่าย ถ้าไปแบบมีเงินติดมีบุญติดตัวไปก็ไม่ต้องไปเป็นขอทาน <g kop as> <t uk> พวกที่เราต้องอุทิศบุญไปให้นี่แสดงว่าเขาไม่มีบุญติดตัวไปคนที่ตายไปแล้วเราเราเป็นห่วงเรามาทําบุญแล้วอุทิศให้เขาเนี่ยแสดงว่าเราคิดว่าเขาไม่มีบุญติดตัวไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเขามีบุญติดตัวไปไม่ต้องส่งไปให้เขาเหรอกเพราะบุญที่เราส่งไปนี่มันไม่มากเหมือนกับบุญที่ก็เอาไปเองอ <kop> <g> ย่างนี้ก็บอกให้แม่ทําบุญก่อนเด็ด คันนี้ขอให้แม่พยายามทําบุญทุกวันใส่บาต ท, ทุกวันแม่แม่ใส่บาตทุกเช้าอ่าแค่นี้นก็พอแล้วรักษาศีไว้เนี่ยสองอย่างนี้ตายไปก็ไปสุคตินะ ท่านหมอเงก็บอกยามว่าเดี๋ยวมดจะบอกไม่ให้ค่าถ้าบอกก็เดี๋ยวเขเข้ามดปากเลยกลัวไงยังกลัวอยู่ก็บอกก็บอกเดี๋ยวไม่ฆ่าเขาก็บอกแลวตัวมอนตัวเรามันใหญ่กว่ามันต้องเยอะแยะไม่กลัวมันตัวมันนิดเดียวคก็บอกเขาเลยถ้าเขาาก็ยังจะทำอยู่มันกัดก็ไม่เจ็บมากมันกัดก็ไล่มันไปหาวิธีไล่มันเอาไม้กวาดกวาดไล่มันไปแล้วค่อยเอาเลยมากันทีหลังก็ได้กวาดมันไปก่อนแล้วก็อาจจะมีช่อง ยาอะไรกันบอมาได้กลิ่นมันก็จะไม่เข้ามาแล้ว uh huh. มีวิธีไม่ต้องฆ่ามันขอทานค่ะการทาสังฆท า, าน uh huh. าานีสาาน้สามารถใช้ละเวง น, นได้ไหมคะได้มันของมันคือของเนี่ยเราจะถวายอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ของถึงจะเป็นสังฆท า, านไงคำว่าสังฆท า, านเป็นของให้เราถวายให้กับพระทุกรูปในวัดเป็นของส่วนรวมไม่ใช่เป็นของส่วนตัว ถวายแปรงสีฟันอันเดียวเราบอกขอให้เป็นสังฆทานพระก็ต้องเอาแปรงนี้ไปไปแจกกันไปแบ่งกันใช้ไปใช้คนเดียวไม่ได้เท่านั้นเองเรียกว่าสังฆทานทีนี้ของของที่วัดบางทีคนเอามาถวายเยอะแล้วไม่ได้ใช้กันอแล้วญาติโยมบางคนมาทําบุญแล้วไม่ได้เอาของมาก็ขอซื้อของอย่างวัดแทนเท่านั้นเองก็ซื้อของอย่างวัดแล้ววัดก็เอามาถวายพระเองมันก็เป็น ก็เป็นการเอาเงินเข้าวัดพูดง่ายๆเงินก็จะได้เข้าวัดไปเพราะว่าบางทีกระแปงสังฆทานนี้ไปจ่ายค่านั่งค่าไฟไม่ได้นะไรอย่างนะ้เวลากุฏิเสียไปจ้างซ่างจ้างช่างก็มาซ่อมกุฏิแล้วเอากระแปงสังฆทานนี้เขาก็ไม่เอามันก็ต้องมีเงินให้เขาอพระก็ไม่มีเงินเขาก็แล้วก็แปลงสังฆทานนี้มามาให้เปลี่ยนกับเปลี่ยนเป็นเงินทองของญาติโยมไปนเ งั้นก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ไม่ถ้าเงินเข้าวัดไม่เป็นไรแต่ถ้าเงินเข้าไปกรรมการครึ่งวัดครึ่ง น, นี้ผิดละมีการยักยอกแล้วเข้าใจ<ช>ยังคนบางคนเวลาเขาอยากจะทำบุญปุ๊บปั๊บเห็นวัดก็เข้าไปเลยแล้วไม่ได้ซื้อของมาก่อนคิดว่าบางทีวัดมีของอยู่บางทีในวัดก็มีคนขายสังฆท า, าน<ช>ีบางวัดเขาไม่มีแต่เขามีสังฆท า, านที่ ญาติโยมมาถวายกล่าวของนั้นมาเหมือนกับมาขายมาแลกเปลี่ยนญาติโยมจะได้มีกระป๋องถวายสังฆทา น, นากานยังไม่มีกระป๋องถวายเงินเลยก็ได้ถวายให้กับวัดไปบอกว่าถวายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าบํารุงวัดหรือค่าบำรุงพระภิกษุเจ็บค่ายได้ป่วยหรืออาหารขาดแคลนก็เอาเงินนี้ไปซื้อได้ก็เหมือนสังฆทานอยู่ดีคําว่าสังฆทานหมายถึงว่าไม่ได้ให้เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นของวัด แล้ววัดจะได้ดูแลพระทุกรูปได้ถ้าไปให้พระรูปเดียวพระเขาก็หวงมันเวลาพระรูปอื่นขาดแล้วก็จะไม่มีใครมาดูแลแต่ถ้าให้กับวัดวัดก็จะดูแลพระทุกรูปเนียการว่าสังฆทานเรือส่วนรวมการถวายสังฆทานนี่ถวายให้กับสงฆ์ให้กับส่วนรวมให้กับพระทุกให้เป็นสมบัติของพระทุกรูปที่อยู่ในวัดนั้นใช้ได้แต่ถ้าถวายส่วนตัวนี่พระที่รับนี่จะให้ จะให้องค์อื่นก็ได้ไม่ให้องค์อื่นก็ได้เพราะเป็นเป็นการถวายส่วนตัวจะต่างกัน เ, นเรียกว่าสวัสดิ์สังฆทานกับบุคคลิกทานบุคคลิกทานก็ถวายเฉพาะบุคคลสังฆทานก็ถวายให้กับสงสงก็คือพระที่อยู่ในวัดทั้งทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสงเ <c oughs> ข้าใจนะอ <c oughs> มีใครอยากจะถามไหม ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามเข้ามาก่อนก็ได้คบคำถามนะครับจากคุณอินเตอร์วิ่งคราบกาพระอาจารย์รู้สึกว่าไม่มีแรงใจในการภาวนาเหมือนว่าภาวนาอยู่คนเดียวในกระแสโลกนานๆทีจึงมีโอกาสไปภาวนาที่วัดถึงจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นอย่างนี้ทำอย่างไรจะขยันภาวนาขึ้นครับออก็ให้คิดอย่างนี้ว่าการภาวนาเหมือนกับกินข้าวให้อาหารกับจิตใจ คนอื่นเขาไม่กินก็เรื่องของเขาเราหิวเราก็กินของเราไปเราก็จะมีกำลังใจว่าเป็นการให้อาหารให้ความสุขกับใจเราความสงบนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่คนอื่นเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาเหมือนกับเวลาเรากินอาหารคนอื่นเขาไม่กินเราไปเดือดร้อนเขาไม่กินก็เรื่องของเขาเราหิวเราก็กินของเราไปใจเราวุ่นวายเราอยากให้สงบล้าก็ภาวนาของเราไป ส่วนคนอื่นเขาจะไปเล่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปดูเขาเราดูที่ใจเราดูความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรแต่เราไปดูคนอื่นมันก็จะทำให้เราไม่มีกำลังใจได้เห็นเขาเที่ยวก็อยากจะเที่ยวกับเขาแต่ต้องถ้าเราฉลาดเราจะรู้ว่าการไปเที่ยวของเขาเหมือนกับ ก, การไปติดยาไปเสพยาเสพติดการไปนั่งสมาธิเหมือนกับ ก, ก, การไปรับประทานอาหารเป็นการไปสร้างบ้าน สร้างที่อยู่อาศัยไว้ให้เรามีที่พักที่หลบภัยใเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สนใจกับเรื่องของคนอื่นคนอื่นใครก็จะทำงานก็เรื่องของเขาแต่ถ้าไปอยู่กับพวกที่ทำเหมือนกันได้ก็ดีมันจะทำให้มีกําลังใจช่วยกันเพราะใจเรามันยังอ่อนยังอ่อนไหวอยู่เห็นอะไรแล้วมันมักจะไหวตามค้อยตามเข้าไปเห็นเขาดูทีวีเดี๋ยวก็อดจะอยากจะดูทีวีตามเขาไม่ได้ จะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้อย่างงี้ก็ควรจะปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวก่อนเพราะกำลังยังไม่มีกำลังใจแต่ถ้าไม่มีกำลังก็ใช้ปัญญาเนี่ยมาสอนใจว่าการนั่งสมาธินี่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจสร้างบ้านให้กับใจดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวหมืนกับการไปไปติดยาเสพติดเที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อย เ, อยเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์ ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราไม่ได้เที่ยวเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อน mm hmm. หเห็นคุณ mm hmm. เห็นโทษของการกระทาําทั้งสองแบบว่านั่งสมาธิดีอย่างไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างไรไปเที่ยวแล้วเป็นเป็นโทษอย่างไรถึงแม้จะเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่แบบยาเสกติด mm hmm. มันก็จะทําให้เราไม่ไปกังวลไม่ไปสนใจไม่อ่อนไหวไปกับการกระทําของผู้อื่นได้ mm hmm. คำถามจากคุณครูป้อมคำว่าจิตมโนวิญญาณมีความหมายแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรกับคำว่าใจคะเหมือนกันน่ยมโนก็ใจมโนก็เป็นภาษาบาลีแปลว่าใจจิตก็แปลว่าผู้รู้ผู้คิดเนี่ยมันก็เหมือนกันวิญญาณก็เป็นผู้ที่ไปรับเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกจิตใจว่าวิญญาณไปก็เป็นเหมือนเด็กหญิงเด็กสาเด็กหญิงนางสาวนางนี่ก็คนเดียวกันน่ย เแต่เปลี่ยนสถานภาพไปเวลาใจอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณคำถามจากคุณพัฒนารีเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเราควรกำหนดจิตไว้อย่างไรระหว่างฟังคำสอนแล้วนึกตามหรืออยู่กับลมหายใจหรือพุทโธปฏิบัติไม่ถูกเจ้าคะ่ะถ้าเรานั่งฟังเทศฟังธรรมก็ควรจะตั้งใจจดจ่ออยู่กับการฟัง ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือการฟังธรรมนี้เป็นการเรียนหนังสือเวลาอยู่ในห้องเรียนครูสอนอะไรเราก็ต้องตั้งใจฟังเราถึงจะได้รับความเข้าใจได้รับความรู้การฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะยันเวลาฟังธรรมนี้ให้ตั้งใจฟังแต่ถ้าเราต้องการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบนี้ไม่ต้องไปฟังธรรมไปหาที่สงบนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มีอะไรกากับใจ เช่นมีลมหายใจคอยกํากับใจไม่ให้ไปคิดหรือมีคําบริกรรมพุโทโธพุทธโธแน่นอนต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเรากำลังนั่งทําอะไรนั่งฟังทำแล้วก็ตั้งใจฟังทำไปนั่งสมาธิก็อย่าไปฟังทำมิ <c oughs> ถ้าเราฟังเปิดเทปฟังแล้วก็ปิดเสียแล้วก็นั่งพุทแล้วก็ดูพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไป นอกจากว่าเราไม่สามารถดูลมหรือพุโทโธได้เราก็ใช้การฟังธรรมกล่อมใจได้ในระดับหนึ่งฟังธรรมไปโดยที่ไม่ต้องคิดเอาเสียงธรรมให้เป็นเป็นเหมือนเป็นลมหายใจเหมือนกับเป็นการดูลมหายใจหรือเหมือนกับการใช้พุโทโธไปจนกว่าใจเรามีกําลังแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ฟังธรรมใช้พุโทโธใช้การดูลมเองได้ครับคําถามจากคุณยูเท Channel เวลาเจริญสมาธิวิปัสสนาเฝ้าดูลมหายใจดูกายเกิดมีเวทนามาแล้วรู้สึกถึงเวทนานั้นสามารถเปลี่ยนมาเฝ้าดูเวทนาสลับดูกายหรือว่าควรจะเฝ้าดูลมดูกายเป็นเรื่องๆไปตามความตั้งใจแรกขอบพระคุณครับคือคือถ้าถ้าต้องการดูกายหรือดูเวทนานี้เราต้องดูให้มันไปเป็นเรื่องเป็นราวไป ท, ที่เรา ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายไม่เข้าใจธรรมชาติของเวทนาที่เราต้องการดูเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ไปทุกข์กับเวทนาเงนั้นเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาแล้วใจเราทุกข์นี้แสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับทุกขทุกขเวทนาเพราะดูแล้วทรมานเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทางร่างกายแล้วใจก็ไปทุกขอีก แต่เราสามารถใช้ธรรมะนี่มาดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยการเข้าใจธรรมชาติของทุกขเวทนาของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศตอนนี้เราควบคุมบังคับอากาศให้มันร้อนได้ไหมตอนนี้มันเย็นเวลามันร้อนทำให้มันเย็นได้ไมไม่ได้เวทนาก็เหมือนกับอากาศหรือดินฟ้าอากาศเนี่ย บางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็สุขเวลาสุขไม่มีปัญหาอะไรเมนเวลาอากาศเย็นนี้ไม่มีปัญหาอะไรพอเวลาอากาศร้อนขึ้นมานี่เราทุกข์กันขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันไม่ร้อนปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นถ้าเราไม่อยากจะให้เราทุกข์เราอยากไปอยากให้มันไม่ร้อนมันร้อนก็ปล่อยให้มันร้อนไปแล้วเราเราก็จะไม่ทุกข์กับความร้อนจะอยู่กับความร้อนได้เวลาร่างกายเจ็บก็อยากไปอยากให้มันหาย ถ้ามันยังไม่หายอยากมันก็ไม่หายอยู่ดีแต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันไปก่อนแต่ก็รู้ว่ามไม่เที่ยงเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็หายไปเองหรือถ้าเรามีวิธีเช่นถ้ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มียา ก, กินก็กินไปแล้วนวดไปอะไรไปเดี๋ยวมันก็หายเองแต่ตอนที่เรานั่งแล้วมันเจ็บแล้วเราอยากจะขยับนี้ที่เราไม่ขยับเพราะเรากาลังศึกษาทำการทาข้อสอบอยู่ เพราะว่าถ้าเราขยับความเจ็บมันก็หายไปแล้วแต่ต่อไปเวลาเราไปเจอความเจ็บแบบที่เราขยับแล้วมันไม่หายเราจะทํำยังไงแล้วที่เรานั่งแล้วเจ็บแล้วเราไม่ขยับเพื่อที่เราจะได้ใช้ความเจ็บนี้มาเป็นข้อสอบมาให้ใจเราศึกษาเห็นธรรมชาติของความเจ็บว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แต่เราจะไม่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้มัน หายไปแล้วาทาใจให้เฉยๆด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธอย่าไปอยากให้มันหายเวลามันเจ็บแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่สนใจจะเจ็บก็เจ็บไปจะหายก็หายไปไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่างนี้เดี๋ยวความทุทกทรมานใจจะหายไปเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปไม่มีอันนี้คือวิธีศึกษาพิจารณาเวทนา ร่างกายก็เหมือนกันร่างกายมันจะแกะ่มันจะตายก็ต้องต้องปล่อยมันนะถ้าไม่ปล่อย ม, มันมันก็จะเครียดมันก็จะทุกข์ก็แบบเดียวกันร่างกายก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้<น>ถึงเวลามันก็ต้องแก่ถึงเวลามันก็ต้องตาย <Yeah. S 1> ถ้าเราไปอยากให้ไม่แก่ไม่ตายแล้วเราจะทุกข์ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรารู้ว่าเรา <Yeah. S 1> ทำไงไม่ได้อยากก็ทุกข์ไปเปล่าๆอยากไม่แก่อยากไม่ตายก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ยังก็ยอมไม่ยอมแก่ยอมตายดีกว่าอย่าไปยุ่งหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่ตายได้ใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการพิจารณาร่างกายต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวไปตอนต้นถ้ายังไม่ได้ทำข้อสอบก็ทำการบ้านไปก่อนดูร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสอนมาดีเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนมันไม่ได้บังคัมมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ แล้วพอเจอของจริงจะได้ทํทข้อสอบได้ถ้าเราเตรียมตัวทําการบ้านไว้ก่อนฝึกใจสอนใจว่าต้องอยู่กับมันให้ได้นะอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์อันนี้ทาแบบสองสองวิธีถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์จริงก็ทําการบ้านไปก่อนเหมือนนั่งมวยถ้ายังไม่ขึ้นเวทีก็โชคกะสอบใจไปก่อนนะเวลาขึ้นไปจะได้รู้จักวิธีโชคเ่ย ถ้าไม่โชคเลยไม่โอคซ้ำก็โชคกระสอบตายเลยเดี๋ยวขึ้นไปก็ไม่โชคไม่เป็นก็จะถูกเขานอกเอาตอนนี้ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ยังไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องคิดเตรียมตัวไว้ก่อนคิดว่าจะต้องทํากับมันอย่างไรก็คือต้องยอมมันยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายด้วยการทําใจให้เฉยเฉยให้ใจเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาไปแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณสีสิริบุญและบาปเกิดขึ้นในใจเราอย่างไรคะอะไรเกิดขึ้นก่อนคะระหว่างบุญกับบาป อ, อ๋อมันสลับกันแล้วแต่ความคิดความเห็นของเราเราเห็นอะไรเราเกิดความคิดกับสิ่งที่เราเห็นมันก็จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาได้พอเกิดความอยากแล้วถ้าเราทาถ้าเราหามาได้โดยวิธีไม่ทบาบาปไม่ได้เราก็อาจจะไปทบาบาปเพื่อหามาได้ เช่นพอเราคิดถึงว่าตอนนี้เงินเราไม่พอใช้แล้วเราเราจะทำยังไงดีก็มีสองวิธีไปทำงานเพิ่มมากขึ้นหาเงินเพิ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าหาไม่พอจะทำไงก็มีอีกวิธีนึงก็ไปไปขโมยไปโกงเงินของคนอื่นมาเนี่ยบาป ก, ก็เกิดขึ้นแล้วเกิดจากความคิดของเราคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าคิดไปในทางที่ดีบอกว่าถ้าเงินไม่พอใช้ก็ใช้มันน้อยสิมันก็หมดปัญหาไป ก็ไม่ต้องไปขมโมยใช้ตามมีตามเกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปทําบาปแล้วพอมีเงินเหลือก็อยากจะช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็เอาเงินที่เรามีเหลือนี้ไปช่วยเขาบ้างเพราะเวลาที่เราขาดเงินนี้เรารู้สึกว่ามันมันทุกข์มากเดือดร้อนมากเรารู้ความทุกข์ที่เกิดจากการขาดเงินขาดทองพอเรามีเงินเหลือใช้เราก็เห็นคนที่เขาขาดเงินแล้วก็ไปช่วยเขาสิให้เขาไปนี่ก็ความคิดที่จะทำบุญก็ตามมา มันอยู่ที่ความคิดของเราคิดเป็นและคิดไม่เป็นแต่คิดไม่เป็นมันจะคิดไปในทางทําบาปคําถามจากคุณแมวหนูรับปากกับหลวงพ่อวัดใกล้บ้านจะถวายเงินเพื่อสร้างเสาโบสถ์หนึ่งต้นแต่ภายหลังทราบว่าวัดกับกรรมการวัดมีปัญหาเรื่องเงินจนกระทั่งหลวงพ่อต้องจากวัดไปทําให้หนูไม่ได้อยากทําให้หนูไม่ได้นําเงินไปร่วมสร้างโบสถ์แต่อยากจะนําเงินไปช่วยสร้างโรงพยาบาลแทน แต่หนูก็ได้รับปากพระสงฆ์ไว้แล้วถ้าหนูไม่นําเงินไปถวายวัดเท่ากับหนูโกหกพระสงฆ์ก็คงจะบาปมากหนูควรทําอย่างไรดีคะอ่าก็ถ้าถ้าไปไปรับปากกับเขาไว้ก็ไปทําตามที่เราสัญญาไว้ดีกว่ามันเป็นสัจจะเราต้องการรักษาสัจจะที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่เราเสียไปเสียเสียชีวิตเสียสัตว์่ยเสียทรัพย์อย่าเสียสัตว์เนี่ยเพราะยัง คำถามจากคุณอัชชาาการเจริญกรรมาฐานได้ทั้งนั่ง<ม>เดินจําเป็นต้องนั่งเดินให้เท่ากันหรือเปล่าคะไม่จําเป็นเหรอนั่งตามสบายเดินตามสบายแล้วแต่ความถนัดความพอใจของเราอยากจะเดินมากก็เดินมากอยากจะเดินน้อยก็เดินน้อยอยากจะนั่งมากก็นั่งมากได้แล้วแต่<ม>แล้วแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติว่าเราอยู่ขั้นไหนถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องเดินมากๆหน่อยเพื่อฝึกสติไปก่อน พอเรามีสติแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งได้มากพอ <c oughs> นั่งได้มากเราอาจจะเดินน้อยก็ได้พอนั่งแล้วมันสงบมากกว่าเดินมีความสุขมากกว่าเดินครับจากคุณโคมินโฮกรณีตูนวิ่งบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจะได้บุญแบบไหนครับอ๋อเขาก็ได้จากการกระตุ้นให้คนอื่นได้ทําบุญตัวเขาเองไม่ได้บุญจากการได้เงินทองเหล่านี้มาเพราะไม่ใช่เป็นเงินทองของเขาเพราะเป็นเพียงเพแต่ผู้ที่ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้อื่นได้ทําบุญก็ได้ได้เสียสละจากการที่เขาสละแรงกายของเขามาเพื่อให้เกิดเกิดบุญเหล่านี้เกิดขึ้นมาคือเขาไม่ได้ได้บุญจากการให้เงินทองนอกจากก็เงินทองที่ก็ให้มานี้ให้กับเขาถือว่าเป็นของเขาแล้วก็ให้โรงพยาบาลต่อเขาก็จะได้บุญจากการให้เงินทองด้วยแต่อย่างน้อยเขาให้จากการเสียสละเวลา เดือดเล่าแรงแรงกายของเขามาวิ่งบางทีเขาไม่มีเงินเขาบางคนไม่มีเงินเขาแต่มีแรงกายช่วยไปไปเป็นอาสาสมัครทํางานทําการโดยไม่รับเงินรับทองนี่มันก็เป็นเหมือนกับการใช้แรงกายก็เป็นบุญที่เราเรียกว่าบุญใช้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าเราให้ของให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองเราก็เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการให้ทาน ก็เป็นบุญเหมือนกันคือเป็นอาหารของใจเหมือนกันทําให้ใจอิ่มทําให้ใจมีความสุขได้เหมือนกันคำถามจากคุณสิทธิชัยกับเรียนถามพระอาจารย์ในอุบายเรื่องวิธีการแยกกายกับจิตออกจากกันครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้มีการนั่งสมาธินั่งสมาธิด้วยการดึงใจให้ออกจากร่างกายดึงใจให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกาย นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธเพราะถ้าเราไม่พุโทโธใจมันจะเข้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายเราเราต้องใช้พุโทโธหยุดใจที่จะออกไปหาร่างกายด้วยการดึงใจกลับเข้าไปข้างในด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธดึงเข้าไปหรือใช้การเพ่งดูอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกนี่หยุดความคิดความคิดมันจะคิดเข้าไปหาร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกเล่นกาย ถ้าเราหยุดความคิดได้ก็เท่ากับเราแยกใจออกจากร่างกายชั่วคราวเวลาใจสงบใจกับร่างกายจะหายร่างกายจะหายไปจากความรู้สึกของใจอันนี้เป็นวิธีแรกแยกด้วยการนั่งสมาธิวิธีที่สองเวลาเวลาออกจากสมาธิมาใจกับร่างกายกลับมารวมกันก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่าใจเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งนะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน เราเป็นคนสั่งแต่ร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งเราผู้สั่งกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายจะเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายเราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเพราะเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายอันนี้ก็ต้องใช้สอนใจเรื่อย epilepsy, ๆด้วยปัญญาด้วยการแยกด้วยความคิด <dalam> คิดว่าร่างกายไม่ใช่ต<ลง> <ec> ัวเราของเราเราเป็น เจ้านายตั้งกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราต่อไปร่างกายของเราเขาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปคิดว่าเราเป็นเขาเพราะถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นเขาเราเราจะทุกข์มากเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะไม่ทุกข์เลยแต่ไม่ร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราทุกข์ไหมเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเป็นของเป็นเราใช่ไหม ร่างกายนี้เราไปคิดว่ามันเป็นเราพอมันแก่เจ็บตายเราก็เลยทุกข์กับมันแต่เราต้องใช้ปัญญาความจริงมาสอนใจว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันของพ่อแม่ให้เรามาใช่ไหมร่างกายนี้มาจากใครกันเนะี่ใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ร่างกายนี้จะเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าเราเป็นใครเราก็เป็นดวงวิญญาณที่กําลังรอรับร่างกายอยู่นะพอพ่อแม่ผลิตร่างกายนี้แล้ว เ, เราก็ไปรับจากพ่อแม่มาอีกที ออกมาจากท้องแม่เราก็เลยไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเลวเราต้องมาแก้ความคิดนี้ใหม่เพราะความคิดนี้มันคิดผิดไงคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดต้องเอาความเห็นถูกที่พระเจ้เจ้าเป็นคนทรงคนเป็นผู้คนพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใจเราเป็นใจแต่ร่างกายไม่ใช่เป็นใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาล่างกายเป็นอะไรใจไม่ได SO e ้เป็นไปตามร่างกายยันไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันเองไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เดือดร้อนเวลาผมมันขาวมันไม่บ่นมันช่วยย้อมผมไม่ทีมันไม่บ่นมันไม่อะไรแล้วเจ็บมันก็ไม่ได้บอกขอให้หายเจ็บมันไม่มันมันอยู่กับของมันได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกรับรู้เหมือนใจท่านเองพอใจรับรู้เราต้องมาสอนใจให้รับรู้แบบถูก เรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเราเนะ่ยแต่เราเป็นหมอเนี่ยเราไปดูคนไข้หมอไปไปทุกข์กับคนไข้หรือเปล่าไปเจ็บกับคนไข้หรือเปล่าหมอฉีดยาให้คนไข้ห ม, มอฉีดหมอเจ็บหรือเปล่าหมอไม่เจ็บหรอกเนี้ยเพราะหมอไม่ได้เป็นคนไข้ใจก็เหมือนกันร่างกายเป็นอะไรก็ใจก็รู้ว่าไม่ได้เป็นใจก็แล้วกันแล้วต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือยากด้วยปัญญาคาถามจากคุณนิสกร ถ้าครอบครัวเลี้ยงไก่ชนเพื่อขายลูกพันุ์ไก่แต่ไม่ได้เอาไก่ไปชนหรือเอาไปตีกันแบบนี้จะบาปไหมเจ้าคะเหมือนก็บาปถ้าเราเ้าเลี้ยงเราให้ไปต่อยมอวยเนักยามไหมแม่ไปแ ม, ม่ไปทำมาหากินแม่เลี้ยงมาเพื่อให้เราไปขึ้นชกเวทีอย่าเงี้ยแล้วถูกเขาต่อยให้ตายเราจะจะดีไหยมันไม่ดีหรอกไก่ชนมันบางทีก็ไา่กันยมตายก็มีไม่ใช่ มไม่ดีหรอกเป็นการทรมานถึงแม้ไม่ถึงกับความตายมันก็เป็นการทำร้ายผู้อืน่นก็เป็นบาปเหมือนกันเพียงแต่บาปไม่เต็มร้อยไม่ถึงกับขั้นปานาติบาตคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการเลือกใส่บาตรกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่เราศรัทธาที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเทียบกับการใส่บาตรกับพระทั่วไปจะได้รับบุญและอันนี้ส่งเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับบุญที่เกิดจากการใส่บาตรของเรานี้เท่ากันไม่ว่าจะให้กับพระรูปไหนแต่ประโยชน์ที่พระที่เขารับจากเราไปนี่ถ้าเราสนับสนุนพระที่ดีพระที่ดีก็จะได้มีมีมีกำลังใจที่จะทำความดีถ้าเราส่งเสริมพระที่ไม่ดีพระก็จะมีกาลังใจที่จะไปทาความไม่ดีต่อไป นันอยู่อยู่ที่ประโยชน์มันมีสองส่วนประโยชน์ส่วนแรกคือเราที่ได้รับจากการให้นี่เหมือนกันให้กับใครเหมือนกันให้กับพ่อกับแม่ให้กับพระให้กับโจรผู้ร้ายให้กับแมวกับหมานี่เราได้เสียสละแล้วเราเกิดความสุขใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ของผู้รับที่ก็จะทําต่อผู้อื่นนี่ไม่เหมือนกันคําถามจากคุณเคทีจิริภาริวัตรขอกราบน้วัชการครับพระอาจารย์ การที่ระนับความโกรธได้เร็วเป็นผลมาจากการปลดใจแต่ก็ยังมีอารมณ์โกรธอยู่มีแนวคิดอย่างไรบ้างครับเพื่อบ่มใจให้ไม่มีอารมณ์โกรธครับอ๋อต้องตัดต้นสาเหตุของความโกรธเนี่ยสาเหตุของความโกรธก็คือความอยากครับคํถาถามต่อไปจากคุณลาวันบุญ น, นาคเรียนท่านอาจารย์ดิฉันได้ช่วยเหลือคุณยายอายุหนึ่งร้อยสามปีตามที่ท่านสอนไว้ต่อมาก็มีคนมาให้ มากถึงสีเท่าค่ะเป็นเพราะอะไรคะก็บอกเขาเห็นคุ ณ, ค, ณคุณงานความดีเขาก็อยากจะส่งเสริมคนดีคำถามจากคุณในกบเลี้ยงแมวไว้ในกรงเจ้าค่ะแต่ปล่อยออกมาข้างนอกบ้างเป็นเวลาบ่าไหมเจ้าคะขังแมวไว้ในกรง ม, มันก็นแล้วแต่ว่าเขาทาทาอะไรเสียหายหรือเปล่า ถ้าเขาเสียทําอะไรเสียหายก็ควรจะที่จะขังเข้าไว้ในกรงออกมาเราก็ต้องคอยคอยควบคุมเขาก็ไม่บาปเพราะเราป้องกันไม่ให้เขาไปทําสิ่งที่เสียหายต่อผู้อื่นแต่ถ้าเขาสามารถออกมาอยู่ได้โดยที่ไม่ไปทําอะไรให้เสียหายแล้วก็ไม่ต้องไปขังเขาในกรงก็ปล่อยเขาอยู่อย่างอิสระได้คำถามจากผู้ไม่ประสงออกนามจะทําอย่างไรเพื่อนถึงจะเข้าใจเวลาเราสนทนาธรรมคะ อ, อ๋อก็อย่าไปสนทนาสิเมื่อเ <c oughs> ขาไม่เข้าใจไปทำไงเขาเข้าใจไม่ได้นะ <c oughs> เราไม่สนทนาเดี๋ยวเขาเข้าใจว่า อ, อ๋อเขาเข้าใจว่าเขารู้ว่าเราสนทนาเขาไม่ได้คา <c oughs> ถามจากคุณโอกาวะมัชิตะเพื่อทางสายบุญยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนครับ <c oughs> ผมทวงขานดี ว่าเมื่อไหร่จะคืนให้เขาก็พยายามนอกเรื่องคุยตลอดผมจะแก้ไขปัญหาอ ย, um ย่างไรดีครับก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงไปแล้วจะมีความสุขเม่งั้นถ้าอยากจะได้คืนก็จะทุกอยู่เรื่อยๆเห็นหน้าก็ทีไรก็จะโกรธเขาเกลียดเขาแต่ถ้าคิดว่าสงสารมันมันไม่มีเงินมีทองมันฉลาดกว่าเรามันมาโกหกเราได้เรายอมจ่ายค่าโง่ไป อย่างน้อยตำรวจเรียนครั้งต่อไปมันคงจะมายืนเงาอะไรไม่ได้นั่นแหละแครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปเราก็จะสบายใจเขาก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่โกรธเขาเขาก็ยังจะเป็นเพื่อนเราได้อยู่มไม่เป็นศัตรูกันคําถามจากคุณสุวิทย์สำหรับผู้เริ่มต้นถ้าไม่มีเวลาเยอะให้เริ่มสวดมนต์หรือทําอานาปนะสติบริกรรมพุโทโธแบบไหนจะเหมาะกว่ากันครับ ให้พุโทโธทั้งวันไงเวลาที่เราไม่มีเวลานั่งเรายังสามารถพุโทโธได้ทั้งวั น, นเวลาอาบน้ำเราก็พุโทโธได้ล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธได้แต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธไปมีเวลาเยอะแยะเราไม่รู้ว่าเรามีเวลาปฏิบัติกันไงจะมาคิดว่าต้องมานั่งเฉยๆถึงปฏิบัตินั้นอันนั้ น, อ, น, น, นอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนนั้นก็จาเป็น แต่ก่อนจะมานั่งได้มันก็ต้องมีสติก่อนต้องมีพุโทโธก่อนต้องหยุดความควบคุมความคิดให้ได้ก่อนนั้นการควบคุมความคิดก่อนนี้เราทําได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทํางานที่จําเป็นเท่านั้นเองถ้าไม่จําเป็นก็อย่าปล่อยให้มันคิดพุดโทโธพุโทโธหยุดมันไปแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิได้นั่งปุ๊บก็สงบปั๊บเลยคําถามจากคุณปอนกระหนก ถ้าในขณะสวดมนต์จิตไม่ค่อยนิ่งหลังจากสวดมนต์จบแล้วแผ่เมตตานั้นสมควรไหมคะเกิการแผ่เมตตาหนึ่งไม่ได้แผ่ก็ใช่ไหมการสวดเป็นการสวดบทแผ่เมตตาแต่ไม่ได้แผ่เพราะไม่มีผู้รับก็ใช<ม>่การจะแผ่ต้องมีผู้รับเ<ม>ช่นตอนนี้เจอกันเนี่ยเอาขนมมาแจากกันนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาใครก็ดา่าเราก็บอกไม่เป็นไรให้อภยัยแผ่เมตตา แต่วเวลาอยู่คนเดียวไม่มีใครมารับขนมเราไม่มีใครมาด่าเราแล้วเราจะไปแผ่ให้ใครอันนั้นเป็นการซ้อมเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เ yeah. มตตานะเวลาเราเจอกันสรรพสัตว์เวลาเราเจอสรรพสัตว์เจอบุคคลนั้นบุคคลนี้เราต้องแผ่เมตตาอย่าแผ่ความโกรธความเกลียดต่อกันความหมายอย่างนั้นองั้นอันนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนใจเป็นการทําการบ้านเป็นการเตือนใจอ เพื่อเวลาเราไปเจอข้อสอบเราจะได้ทำทำทำข้อสอบได้เวลาเจอใครก็เดือดร้อนเอาช่วยเหลือฟังเงินไปเลยร้อยสองรอเนี่ยแผ่เมตตาตอนนั้นเวลาใครก็ด่าเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไม่พอใจก็ดีแล้วดีคุณไม่ทุบตีเราคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเพงแต่ด่าเราอย่างนี้เราก็จะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับใครเรียกว่าแผ่เมตตาเวลาแผ่ต้องมีพู้รับใช้เาว่าแผ่ก็ให้เขาใช่ไ หายแผลไปในอากาศนี้แล้วใครจะมารับละ่ะต้องให้มีคนมาร อ, า ร, อรับก่อนนะถึงแผลอย่าตอนนี้เราเจอกันเนี่ยเราทักทายกันถามสาระทุบสุกดิบ ม, มีขนมมีอะไรก็เอามาแบ่งกันใช่หไหมอย่างนี้เรียกว่าแผลเมตตาคำถามจากคุณสุชาติตัวผมไม่ได้ทํางานภรรยาเป็นคนทํางานเงินเป็นเงินใช้ในครอบครัว ผมนาเงินไปทําบุญบุญนั้นใครจะได้รับครับหรือได้รับทั้งสองคนก็แล้วแต่ว่าสองคนถือว่าเป็นเงินของทั้งสองคนหรือเปล่าหรือเป็นของใครของของใครถ้าภรรยาถือว่าเป็นของเขาคุณก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าภรรยาถือว่าเป็นของของร่วมกันเป็นสมบัติอันเดียวกันเป็นคนสองคนนี้เป็นเหมือนคนเดียวกั น, น, นเวลาทํำก็จะได้บุญทั้งทั้งคู่แต่คนที่ต้องรู้ ต้องต้องรู้ด้วยกันทั้งคู่ว่าเอาไปทำบุญภรรยาก็รู้แล้วก็ยินดีอนุโมทนากับเงินที่เอาไปทาบุญเนี่ยก็จะได้บุญด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าภรรยาถือว่าเงินที่ก็หามาเป็นของเขาไม่ใช่เป็นขอ ง, ของสามีถ้าสามีอยากจะได้เงินไปทาบุญหนึ่งก็ต้องขออนุญาตจากภรรยาก่อนถ้าภรรยาให้เงินไปแล้วชาวไปทำบุญก็อันนี้ก็เป็นบุญของสามีได้ คำถามจับเป้าแมวสามลีการถือศีนกินเจได้บุญมากไหมคะไม่ได้หรอกอถือศีเนี่ยได้แต่กินเจไม่ได้<ม>ถือศีนี่ยได้บุญแต่ถ้ากินเจเฉยๆนี่วัวควายมันก็กินเจอยู่เป็นประจำอยู่แล้ <c oughs> แต่วัวควายไม่ถือศีนมันก็ไปขโมยข้าวของกินขโมยหญ้าของกินนีมันก็งั้นถือศีนได้บุญแต่กินเจไม่ได้บุญกินเจก็ได้แต่เจได้แต่กิน ถามจากคุณนั น, น, นทาชาพรจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาหลงอดีตบ้างอนาคตบ้างควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะก็หยุดมันสิใช้พุทโธหยุดมันนะท่องพุทโธพุทโธไปเวลามันจะคิดถึงอดีตก็พุทโธพุทโธไปมันก็คิดไม่ได้แล้วเวลาจะคิดถึงอนาคตแล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็หยุดคิดแล้วใช้พุทโธหยุดมันครับถามจากคุณบุญคา การฟังธรรมได้บุญเท่ากับการสวดมนต์ไหมคะ อ, อ๋อมันบุญหลาลอย่างกันนะการสวดมนต์นี่ก็จะได้สติได้สมาธิการฟังธรรมก็ได้สติได้สมาธิแล้วได้ปัญญาด้วยได้ความรู้ด้วยได้สัมมาทิฏฐิยั้นได้ต่างกันคําถามจากคุณ P ีเครับ mm hmm. กลาวนามสการครับบางครั้งความรู้สึกผิดพันกันเป็นอุปสรรคในการภาวนา ขออุบายในการลดละความรู้สึกผูกพันกันให้มันคิดถึงอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของการของการพัดพากจากกันว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันเมื่อจากกันนะมันเมื่อเห็นว่าต้องมีการจากกันมันก็จะได้ไม่มีความผูกพันกันเพราะผูกพันกันก็เดี๋ยวก็ทุกเวลาที่จะต้องจากกันให้มันคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ลวงพ้นการพัดภาคจากกันไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ตอนนี้เราลืมกันเราคิดว่าจะอยู่ไปด้วยกันตลอดไม่มีวันจากกันเราก็เลยมีคามผูกพันกันแต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องจากกันนะมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนทัศนคติว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราต้องแยกกันแล้วนะนะเดี๋ยวไม่ช้าก็เล้วเราก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทางแนละ อีกข้อหนึ่งคําถามจากคุณสีนวลอาการที่ภาวนาไปแล้วจิตมีอาการรวมตัวลงแล้วว่างไปหมดแล้วทําอย่างไรไม่ให้กลัวอาการนี้ดีคะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวให้รู้เฉยๆให้มีสติดูไปเฉยๆให้เลยพอเวลามันรวมแล้วมันจะหลังจากมันรวมแล้วมันจะนิ่งจะสงบช่วงเวลารวมมันจะรู้สึกว่าจะตกหลุมตกบอ่อตกเหวก็วเป็นกาอาการช่วงชั่วคข่าวเท่านั้นเอง พอมันผ่านไปแล้วมันก็สบายเบา อ, อกเบาใจยันไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไร <c oughs> คิดว่าเหมือนกับฉีดยาวัคซีนเวลาหมอฉีดยาวัคซีนก็เจ็บหน่อยแต่พอมีวัคซีนแล้วทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วเวลามีโรคภัยเข้ามาก็จะไม่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เวลาฉีดจะรวมแล้ววูบลงไปนี่ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่มีพิษมีภัยอะไรพอสงบแล้วมันจะมีความสุขมาก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 Ah. ah.